คองใจสู้เฮ้อว่างนที่สอนว่าุปตะใจวัดปุรหมัตถีนียยังกระซางม่จำต้องผ่านใจมันสฮพอมันแจ้งมันจะวางสวัยใจมันมันจะแจ้งสีง้เห็นเห็นเมืองกันนอกมันหัวกลับใจมันถูกกันวายวันี้เนี่ยไหนสิผมมาแจงมาแจ้งมันเันในใจเฮ่มันอยู่ทางนอกอยู่เนวอื่น ในห้องโมเดลห้องสรรจาฌาันคงติดคงใจออกไปข้างนอกเพื่อเอ่นวัฏฏปุตติเนกงปุตติวบคุมรักษาอยู่นิสตมาที่ปัญญาจะเริ่มสมบูรณ์นี่่งปุตติน่อพัญนติอันนี้นปุติมันป ก, นนนนนกนติวกตวา่าการงานทองห้องผู้ใจนิราทีรับรู้สววจตา ยังทานกอ่มาก่านั้นถม่มีเนวมากก็ดูทุกขอย่างสัตว์แล้วไปคทีเด็กยังไปซุ่มแกงอย่างในที่รุ่น้มันมากตรงนึงถ้ไม่ง่ายก็เลี้ยบไม่ไปหาไปดูเคร่งเงินนะครัสิตั้งมันนี่ใจจะต้องอรกาะกระเทียมพวกนี้เนี่วทามากเมืองแห่งอุจารว่ารอกองอยู่ที่ว่ามันจะใสยังเป็นยังเ่านั้เอาแค่นั้นก็เล้ว มันความใจเราตว่างก่อนมตือนจัเนี่ยมันบอกไตสินี่เน่ามากตรงไหนหรอกเขามันยูวงว่างนี้เนี่ยมะกรูดมะเขียวไตชินผมมันกันเลยหรอกเน่ารอบชุ่มกางกลางถือหัวม้ามันกันในเท่านี้ชินน่ะมันรักษาหลอกเนี่ยถ้ามันกวนใจห้เตาบังหุ่นโดนี้มันรักษาไว้แล้วแต่หน้าที่ที่รักษาใ้ใจห้องที่คุใจผู้เดียว วันไนน่งดูม่กงตโกงนกงตัวเองข่มตัวเองมตรเลไปัามตงไปคห่วงตันเจงมนสว่างิคบ่อเห็นตัวเองนั่นละม่นของเป็นเองมิเอื่นมาระทับธรรมะผู้ของเป็นเองเิดเองตั้งโยงเองับไปเองนั่นะเ็นมาประทรม ท่านเอาให้เอาทำเอาคือเอาผงเอาแป้งเอานี่เอื่อนยาลอืนมะกีเลเอื่นมมหลงเราบางทีกคือข้อหลงกันเนี่ยชวงนั้นก็วาซักมันมันหลวมือเีเองมันไหวเปรเองวาวเองนั่นเรื่ประมันเป็นขอมหลวงตองใจตองเฮ้งข้อมหลวชีวิตความมันถึงมันแน่นจริงจริมันยืดโนกันมากันทุกต่า การเข้าคดมันไม่แจ้งเลยเ้คดกี่วันเป็นนครับคดังก็เป็นเยือเข้มงดเลยาีว่าเข้าคดวหังแจงทว้างไม่ใจมันเ็เหงานนีหละว่ยากคันหมอบุญมังงากแต่มาแต่จะคุบจะปุงจะแตงนั่งมวตูน่ๆเออยู่หันั่งกัตงกันน่งบนบนใจ นั่งกับบุญใจยืนกับบใจนั่งกับบุญใจกิกับบุญจกนกั้ไกกบบใจอยู่หันเวันเงี้ยนะหันจากฐานของนั่นที่อยู่ตรงนั้นี่เนคลนต่างๆอมนัดทิมากกระิปก้าในเซลลมหัองไปซ้ที่านกันแล้วำแนวกัมามังกับว่ามาได้บ้าน ทำบสุใจมันแม่เล้วกับลูก็กมั่นไว้ยึดบถือบกะบเกียวบเป็นห้องมเป็นง่นี้หลวงฮักหลวงตั้งมันมันก็ได้นม่ทะลกับกลางแม่่ามันกนไปพันไปทำไปเกาะทบ่ไปเกียวบ่ยึบ่เป็นของ้งงเขรัว่าผู้ชนะชาตของโลกมันถมน่ังสังตั้งนี่ยังสัง ยินตะโกนเนซันน่างตะโกนเป็นซันร่ำหมู่ตะโกนเงินซันไปจะเป็นเงคู่ผู้จักยุ่งซ้ำเดีวมันก็ได้ประกพลงนี้แจงเขาด้วยบัตรนั่งหลวยวมันก็ผ่านไปผ่านไปพูมันว่าคุ้มเงินเดียวมากเขาเห็นเห็นเลยฝนตกนั่นยังเสียงเดียวมันจะหนีไปยังสก็เล่รื่องสิหลันไปเราก็เล้มโนก็สบายแตมันมากกาู้ัหรือว่ามผู้ผลันตกกอนยืนนี่ันสั้น ยามัน่มยามบ่มไปุดบายามมันมีเหื่อนก็โตอยู่งนันอย่างอางอมันสินาบ่มันเเริ่มของมันคันไปคุดนันคุดอ่ะคันไปคุดคุดๆนันหน้าผมกังหนจักว่าเออมาเนี่เอินวายหินปักคูบันอยู่ในปักคบันรอให้เอาข้มืคุดมาสุมมาแทงสันหาคู่ข้อมือจได้สิมันทันตลอดแต่่ให้เอาม่ใ สัมเน่าเป็นองค์สงโกเลยจำสงลไว้มาส่องอมตะแล้วเข้นอยู่ในถ้ำหวานนี่จะเกิดซีจะมาที่ปัาหุ่นคุ้มคล้งกันนักปัญญุนักสิบเองเขอมันห่นมัเลเห็ดนังุบอีก่นตาเบิ้งคำนี้แนวมากตอนมัมีนมากกว่างนัน้นแนวมันเป็นปกติกว่ากันมันางนาทีของจังนี้เท่านั้นจังโมม่แนวเห็ดไหนได้ยังงมม่แนสีหงา มันใจสุ่มๆไอ้มันโ er ู er ้ได้เนาะแต่มมาโมันกับโรมแนเนี้ยมันเป็นโลกมันไม่เป็นพิมมันมันผุดเผอ่ผดผมันอู่กับผุดเผล่มันจะโย้ตั้งนั่นเลยเนี่ยเป็นใจกันแน่กันหรอกบนโลกนี้พวกข้ตลอดดอกเห็นไหมคุณแต่ไม่ได้ขีมันไม่เลี่ยนรเนี่ยพลัดจิตตรงนี้ทำนั้นล่างไงอย่นี้แหละทานั้นมาว่างมันนยั่งมี่เลยเดีวย มาดูการงานทำคู่การกระท่ำทานที่การไใดมันก็ถือวก็อยู่ที่เท่าเนี่ยก็ไม่ห็ดทานมันเท่าบริเวดอยู่ที่ตัวเองโบนิ่งได้บานกรรมดีโบนิ่กรรมทัวโบนี่ีไม่จะเจอย่างไรมันก็สบายเพรางมันมีความยาวบ้านอย่งถึงมหาเมงโบนิ่แล้วแล้วมันตัดต่อตัดสายสัมพันธ์ตัดวินเรานั่นกรรมดีกรรมทัวมันก็ตัดเลยมันบรเวณโบสถ์ธรมนานาพนะสงมาตัด ตัดท wow. ุบโหดีก่อไปมันกับวต่อแนวเพราตัดขาดแล้ววต่ออีกตั้งขาดแล้วมันตออีกแต่ชีวิตกันอีกทต่เราวต่อเพื่อนั้งผานมือขาดผลปรกอบมันกับเพื่อนแค่เราที่เราเหนียวผ่านหัวต่อบานมันก็จะใส่ยึนั่นโลกสับยุทธโลกข้ามกับยุทธข้ามในธรรมชาติของใจนะมันม้วนว่างโยงนอกนอสีเรอเราอยู่ในขังนม โลเป็น oui. nah, e ัองนสองน้นนี่โลกนี่ล่างนี่นี่นินี่จังหมายโลกก็มันสีมืดมาใจมันมีว่างว่างเงินก็เต็มเนี่มันกับสมัยเขาไม่มีสันแต่ใจมาเต็มกับสว่างสวัยนี่ใจใจมันจริงห่เป็นไทยกับโเตินมันเบานไ้แต่ก็ม่ดองนี่แต่ห้องเก่ามันดูก็บอเัจับแต่ไม่มองว่างว่างกลางกลางเคร่ อยู่จักก็ไปก็ได้รองเหตุบึงพระของจักห้องเหตุบึ ง, งเหตุวายูบังวางใจอยู่เป็นพเนพิงเป็นพูงว่าเพิงเป็นยังไงกลางเป็นยังไงวุ่นพอดีเป็นยังไงวุนเป็นปกติเป็นยังไงเพิงคือเทียงนั่นเองเทียงบันใจอยู่พนามิจังล้าพ็นเทียงตรงมาโลกไดอานิจังทุกขังทโลกอนัตตากับทุเโลก มัดใจสิเท่ยงตรงตั้งที่ยงกันมาเหมืนกับแบบเหมอนเที่ยงแบบเอียงมานัดเอียง้าฮักกเป็นโลกัดเอียงจั้งกับตุ้มโลกเที่งตรงเครื่องนั่นนับเป็นใจเล้เก็ไม่ร้แต่ยกตั้ใจขนาเนี้ัดเอียงไาข้างนึงกับไปโลกแล้วไปกตั้งที่งอยู่ขันไปนันเราเป็นใจเาบาดรักษาก็หีรได้ม้อโนทุกงานก็เลย ดึงมาเห็นใจฮักใจกั้งคนน่ะดึงให้ดีใจเสือใจดูนทร์นคนนมันเห็นมืตลอดนี่เห็นสุญัมเห็นวเท่าใจตัใจเพราะไมบาย่านอกระมมงนใจน่ะถ้เกว่าเขาเห็นใจเขารักาใจเขาให้มันคงคพต่อโยใส่ใจเขาใหใสผู้อื่นเปนนพงศ์ต <of> ัวเอง เราใจตัวเองเรปเาะนี่าะนั่นเกกเลนโอ้ัทั้งตัวเองอว่างก็มี้สบายมันนึงยากมันเลียนกับนบาสนึ่ันมนเลียนาะคอนโลกคือรรยามนือดูแต่เางมนี่นี่ยขมุนก็เห็นเหรอเนี่ยลองเห็ดเบิ้งไก็ได้เห็ดเมัน่อดงนี่แต่ยเท้ามีบาสนี้น มันยิ <Snake speaking to you> ่งยแต่จะไปคุดได้หรอคำคุดตัวมันมันจะไปโดได้คำคุดคำคุดเป็นโลกทั้งที่โลดนะนะคำุดคำว่าคดเนี่มันจเป็นถ้ำหวามันจะเูเงไงแันคิดว่ามาอยู่จงที่ไว้ทเอาื่นันเป็นช่วงคุดแล้วมันออกแล้วคำเดีกันว่างไปซิซึ่คุดมาพงมาแดงมันจะว่างแล้วันจะไปคุดคุกุนมาแดงมันจะอยู่ตรงนันเองความมนหน รอมันเี้มันสิเกิดคุณตั้งยืดรับไปมันถิ่มากสัมผัสภายนอกตาหูจมูกดินกายใจลูกเสียงกินนกปวดสพ้าทำอารมณ์มมันิิทานขอมากอาตาของนอกหูของนอกมกลุ่มกายของนอกมันถิ่มากสัมผัสมันก็มา่งฟูฟูมันจะมั่งอย่างล้มผัดมาเห็นมอญผัดเขาย็นเยมันบริวารอย่างนี้มากที่สุ มันบกว่ามปิัตของเจ้าไม่มาให้เจาฮักไม่ให้เจ้ากังมันบอกว่าเ้ากิื่อนมันก็ตายไปคนหน่งฮักน้องตายไปทำไมเปียนกันมน้าอีสบ้านนู่นในกมุนนาอีมันไม่รู้คำหน่งมันเปี้ยวหย่างกับเขาแต่ today today no, เขาหลงกัเปี้ยวหวานห่านเป็นล่มเป็นเขาเขาเป็นล่มเป็นเวเป็มากมันอยากได้หน้าหนาเอิบบ้าอยากได้เบาฮักเอบาเป็นกาง ทั้งนันเย็นน่ะบนีค่อมเย็นมันตัดมากเย็นๆอยากทำนั่นนั่นจังสันั่กนตัวน่ะนั่นะมากมันอยากได้มันหลงมันบายังของเทากันนะให้มันดนเามันบามยังจะเดรมมันก็นี่หนาทูจังสันมันก็จะไป่ไงันเมจับมันก็ไปดูเม่อนกลงนี้มันก็ู่วจับที่วดดงใบขอามณฑลจันรามงันตาม่แม่จับร่มผุนเี จับต hmm. ิ่งว่าสัมผัสชางเอาสติกำหนดรูปคือตู้ต well ู้ไว้น่ะนะมันไมาจังจี่เท่นั้มันมี่รักสนักนี่นะช่างมีสติมันต้นมันมาถูกต้องเลยเอาไว้จำไว้มามันมีรักสนักจังใจนี่เครื่องรูปสุกแนวนันเหล้าใจเฮ้าสติของปัญญาเฮ้าม่ะมกข์จะหน้าตามอาการของมันไปกี่ดอกมันกัดโตขึ้นมาอู่หลอ มันจับอะไรมันไม่โตนันมาผ่านคนนี้แต่ตงจับเอาที่คูจับอก้หมายของมันถมาถือนอาการจิริยามาคำัดนี่ยลักษะใดเราเอพิจารณาตามนั่นที่คูดอกที่เอาเงินโยนมาโยนน้ำหนักทุกันไปทุกันนัก็ไปยังสันเตียมแงแต่หจับเอาไว้พุจารณาที่คู่นีอกนี่สติน่ะถูกไปัดไป นุ่งมั้คับมจั๊ในน่องบ้างบนเจ้าโบกบมบันว่างใจดอกว่างมันมมีร่มแบบนี้มันเกลือยู่คือแ้มันไปอะจะพูดจนไม่ผ่านที่นีก็ตายหมดให้องมะทิจารนาื้ออะไขบเบิ้ิดิดิจรนา่มันโหตามต้นเป็นจริงมันอะมีจักเรื่องของมันนะผมล้อยนี่เท่นั้นล้อยไปต้นจโ เบื้อานบอนี้มันกวาดถอนใจ้วางคือเตาบุทงงงข้าวหวานกันอันนั้นนี่แล้วอันเมืองแล้วมันเบื้องนี้เนี่ยเบื้องไม่หลอมันมีหมดหลักบา้นี้แล้วแต่มันขีดหนาอีกบ้านเราคุหาบานนึกขั้นไหนที่เต้เต้เตเตงอนบ่คุด้าสีเบื้องอันนั้นสีพ่ออันนี้สีเลนอันนั้นบ่ไห้คุดคั้นคุดมันเป็นโรกขั้นที่มเป็นธรรมมันได้หมดโลกขันคุดเป็นของมือ ขันุขเพ่ของแงเป็นสีนวลขันม yeah. UH! ุขกับผู้ใจมันไปคุกจากู้โล่แนวหนึ่งุขจะผูกมืแจงอยู่บว่งว่ามันก็แจงจัฟางหมดมันคุดมือเขามือเขาโวดคุดหลายแห่งหมนี้คุดหน่อยกต่ยังใกไม่หอกยันนีในก็นอยอยู่มันคุดว่าเ้มืดว่า้ายหน้าเข่าห้าเขาเป็นเี้แล้วมันรักษาพวกกันอยู่ได้หอกแ่มไม่วสัญญา มันใจกูกับอารมณ์มันมาสัมผัสเท่าน Guys, ั้นนยังหน้ากเบืงจักมันมันนี่นิยงที่เรามันก็มีเท่านั้นโลกเวยนีิทัดีดินนําไปลมมาสัมผัสกับมีเท่านั้นเบิงไปมันก็หจักเท่านั้นอันนี้ก็ดินก็ด่างก็ไปเคลนอีกัะอันเกาเขาของจวันใหาเบิงแนวอันนี้ก็บเบงแน่วนั่นก็บเบงแนวเนี่ยมันก็บเบืงได้บัตนะอเี่ยของเกาานไปกาไปเนี่ย เคนา่กันอาใจเพนก็นั่งอยู่หวงว่าสบายสมุดถได้นอ่มโตได้สมุดอาไอกบานนั่งก็เลยมันมีแนวก็นั่งมันมีใจใจมันนั่งในเพราะมีความมีความมีรูปร่างก้อนโลกก้อดินก้อนน้ก้ไฟก็ลมันเป็นจักรยาหมุนอย่นี้สี่ยางมันหมุนันเะ็นแสีแนวเป็นเหยเกินเป็นรู่างเป็นตัวเป็นตนสี่ยางมันรวมกัน อาศัยกันเนีเกิดท th um ุ่ถ้ามันโม้ร่วงกันที่ม uh> ันเกิดพันธุ์นางมได้พันโตเป็นตนมาได้ดูมาได้อาศัยกันมาได้สายอยู่สายอยู่มั่นมันกับว่ามีโตมีตนมันกับจำใบของมันหันเดียวแต่ว่านี้มันไนเกาะหรือวุบกันไหวหันจันมันโมติมมันโมยูยา่วันมันเท่หันเดียวมันดูเก่าดูมาได้ดนถ้ามันมะเก็ะกันอยู่อาศัยกันอยู่เมื่อมื่กันแตกกระายทําให้ไป พังวิวัฒน์ในวีหนงจะเกิดคนที่นั่นก็ต้องนับไปเป็นธรรมชาติเพรานั้นคุณต้องทำลายมันด้วยกา้เกิดนี่มันพุ่งกาเกิดกาเกิดมันกรดับมันก็ตายกันบ่ตายก็คือการบมเกิดการเ่อเกิดมันก็บม่ตายมันก็บมื่แก้มันก็เมื่เมันก็มีทุกข์ที่อย่างมันมีห่อนมีหนาวทำลายดินด้วยมันยึดด้มันถู ตามยึดตามถือมันมันไม่กิดอีกมันตายไปแล้วมันยังคุณทอดนะนะมันคุณทอดคุณอุ่นวายยึดไหวมันก็บรรยเ้อแล้วห้ามัดกระของข้าวบริกภเขาเองเขาบริโภคเขาเนห้ยเีนน้ำไฟลมบริโูกแล้วมันก็บรรยายยงกระเข้าเข้าหลวงโบก็พอตังหาแมวไหนสีฮักสิมักจะมึดเอาแม้ไหนโบยากได้โบเข้าใจกับ่บจากได้ แต่เราจะเห็นการหันเงี mean not ้ยถ so to ูกไปช่วกันได้ล่ะมเมนตว่าอันงิถูกตั้งะบบมันโมเมนต์เนี้ยมันก็ตังานหอย่างเนี้ยมันเกียรมันตั้งอย่างนีวเกียร์มานตั้งกันเห็นเนี้ยไกับตันตึงตึงหวม่นะสางุองก็ตําตึงนานมามันมันบยที่ที่ล่ะยามีความันติเอาเสียนดีพาเรียไหวโมเมนเน้ยตั้งมันก็เก็บใบกุ้เก่าดีเก็บใบกุ้เก่ากันบ๊ย มันเีงนีก็เพวการปล่อยเรื่องชวนชวนบอดีนึ่มันเกิดขึ้นเพรากับปล่อยไจ้ามันมีทั้งห้ามันมีทั้งเสาหลักเรื่องนผิดก็ห้องต่างหากเขาจะได้ดีเขาจะได้เชิญห้องหลังหลังเอาเองก็พายก็ยังเกิดนีสมรสบาปดีสกันพัวสุกันมันตามี่เหตุตะกอนมันต้กองเกิดตามนม่เหตุมันก็บกเกิดผลมันมันนี่ตามี่เหตุ ทำทั้งหลายกะมีเหที่รับมาขอ้เ่างเกเจ้าไปเนี่เราไม่ขัาการปล่อยการวาง่ว่างๆที่เกาเนี่ยเราิเลมอามงเก่คือว่าแค่นั้นสมาธิต้มตันใจมันมันวางนี้คาว่าสมาธิตตันใจมันมันวางแล้วเขาไม่อยู่นันสบายของมันก็จิตมัจักบนกว่ามันจิแน่นบเอาที่จะหอก ว่ามโนหลินทีคือว่ามนตมมันอยู่ีคือว่าบังหมันไปใส่มาใส่ีใดมงเอาว่านู่นนี้มดู่างเมนคือับว่จะบอออกมันก็ล้ว่นรักษาเท่านงรรักษาใจละต้งจะคสมาธิ้ตั้งใจมันน่งมันตั้งอยู่ในใจเจ้าของดวงใจใจเจ้าของเห็นใจเจ้าของมันถูกเราอันนี้ไดยังกันเถือแบองเกษตรน้องอนอน อย่าให้มันจิตทนมันก็คิดได้ก้าวหิวจตทีเขาได้ไปหันมันเองของจิดหางเาบอิดมาปรุงมาแต่งมันบมไปมันบมดไปใส่อยากคำว่าอยากยังมันก็บอกมีก็มุบกันแนวผาผีเสื้อโตเติทุกเกิดทุกคนทุกเจ้าคุดอยากคุดอปุงอยแต่งมันสิจีนเอ้เจ้าอย่างนั้นนมันคุดหนย่ำทุบกับเฮติเอาจ้ากันเยตินั่นเฮตนี่ก็เฮ็ิจะาต้งจะไปคุไปรุงม้นนี่ เฮ็ดไปตามหน้าจีเขรามันคือพุกว่าอยากให้มันเป็นตะเบิงอยากให้มันเรียร้อยมันสะอาดเฮ็ด่ามันเที่ยงมันเงินเป็นปะโยชนเต่าถอนดอกเ่ให้คนิ่งขี้เทียงเฮ็ดแล้วบ่สนใจน้ำมันภาษิดีบ่ดีเฮ็ดแล้วกับควอยยังหันาแต่ว่าเขาเฮ็ดเป็นเฮ็ดนอกจากนิสสตินิสสมาธินิปัญญามันจะเรียบร้อยมัดขามันนิสสตินีสสมาธิสปัญญามันจะบริบบทยิได้นามันจะถืมัด คำนีเ่ัณขดนี่มขดจะิตเราไมดีได้บ้าเสียหายมามันหลงมันลนมที่ตั๊กไปกับ่ไรีคือเสพติดก็ว่าตั๊กัณขาดปกติเนี่ขันห้องีเสติดแล้วียมันจะเียบลอยมันจะเป็นปกติคนเามันง่ายคนลรมันดีแต่พอยกดอกเอฟกูเอฟไว้ต้มหอดมือมันแตกมันรับหากขันของห้าเกิดขึ้นมาก อาภาธมันเหตุอีกสี่อะไรสไลมากกัรสูบ้ามันบวชยูปีซมันบวไ้บาทเพมันเคยเนานั้นของเกินไหลไปมากยูปีซึบวติบวได้มัรมีตงันคือ้นตายแต่มันค้นอมอาพาธไปบวตินยังอยู่ได้เนี่กับโมนต์ปกติบวานตนตอบกระสิบปกติล้วคันเป็นต้องใสไปบวตินต่าบวตินยูปปกติทำปกติต้นธรรมดา ที่ถต้องตามกฎระเบียบของข้อหนึ่งก็ต้องเคื่อนไหวไปมากอะไบทตั้งตีเดินเดินนั่งนอนไหนไปไดมาได้เราได้เห็ดได้ที่เราจะเอามาปกติของค้อเทาสมดุลเอาจังสีไดเอาทุงางท้่นดีเห็ามกเอาผลก็ได้ถ้ามันเคื่อนได้ถ้าเคลื่อนไม่ได้มันเกิดข้นตามั่นก็เกิดประโยชน์เห็ดนั้นก็โมจินถมันเคลื่อนโม นี่อาใจควบคุมไห้ไปมากทั้งห็นคุ้นคาของร่างตายของขาดของขันของดินน้ำไหลล้นบัทคุดห้าจักแล้วบัดหา้าเข่ใจแล้ว เ, าเระบบาะันนี่จุดเป็นถ้ำหมดเป็นขางีนี่คุ้นขาตะเมัดนี่จะใจเบิกชู้ห้อหจกวันะบกวันสบายมันนีจะทงสริมห้าลายห้คนทุกคนยา พลังว<ภ>ิปัสสนายอรักษาปฏิบัติท่ามโ่ยให้จบก็อยู่ในตัวฮะแนลท่านบกจังเลยมันเป็นจริงจ <im itar term ami> ังบ <im> <im> like ่บ่บ่โทษได้บานบ่ให้โทษจะหน้าบ่ดินมาลมบ่ไส่ไม่เห็นเหียเป็นโน่นหนึ่งนี่บ่วาได้บานี่จะวาดีท่าเดิดมาบากสิพอไม่เห็นอย่างเบิ้งพวกกสิบหงส์จักไส้คู่กันท่านพูดมาบ้างสวหงหอห้อกกสิบหงจักวันมันห้อนสิบหงส์จักวันมันทุ ที <unlucky S 2> ่ผมไม่เ็หบงาม่มสมผักับ่อนเทากล่อับบาดอ้ม่อนมียยจากได้ดอกยากดูน้ำไปดอกมันห้อนนี่เห็นเงีสันนิษานนันเห็นเงีหนึ่งกลางวันมัน่อยเห่าเยนักเอิแบบประทับของจริงไม่ลอยเห่าให้เหาหัวฉับต้นรักษาแดงหัวบ่มอาการชีวิยต่างๆกินน้ทลม น่าแสดงให้ใจหั่นศักแต่ใจนั่นอันนี้อันย่างนี่สินี่ันยางมนต์ิจริงจตามข้อมูลที่โลกบอกมนติาน่าที่้องดินมันก็เป็นมีจ้าชู้น่าที่ข้องน้ำมั่นก็ไม่มีเจ้าชู้ันก็พานไปพามาไอ้ห้าเบงห้อหุ่นศักดิ์อ้เ้าวายก็ถือว่าเป็นขงห้ทั้งเขาวิบแลวกับวายได้ถือแลกกับวาได้ถ้าพอมันของห้ามนันจึง่ไปน้ำห้า อยากได้มันก็บรไฟมันจะไปอยู่น้เมือนผกาดิมเอกันแตกดับกดินมดิเ่านักไาน้กัไปตามลมไบไปตามไปมันบรถไน่งานที่อนีก็คือมันหักเขาทุนมันพเข้าว่าเามันอยูุ่กทบัเลงิาติดดินมทุกหาไปล้มว่ามันคงเขา ยดมันถือมันฟังคิดฟังใจผมว่าที่เอาเป็นต้องโตมันแหลมันส่นสารบัมันมันโผลห้าสมเพรชเวหน้าเกิดหน้าจากเราพบเราสะไม่ตายข้ายุ่นี่นันนี่เมือหนเกี่ยวตัวมันต้แสดงคู่มืู่เลมขมันหักมันแท่งมันกระหบเดดยกนใจจเบิงก็ตามมาเบิงก็สร้างแสดงควัมทรนอะแสดงตลอดกาลตลอดเวลานอนรับมั่งแสดง ก็มุมุ่จะแสดงเจ้าศิษ์ฟังโมฟังบมพนใจอันนั้นเนี่ยของเอ็นพระธรรมของจริงนังจับโมนตาเจ้าศิษย์ฟังบมฟังภาษาฟังปัญหาที่แสดงหรือแล้วก็จะพาไปทำแล้วตายทาตายเพราะต้สิ้เท้านั่นแหะของจริงนังจับโมคู่เ้านี่ใหบ่ได้แล้วก็ไม่ได้เท้าคนเดียวมันบดลับจะเล่นกันโมของจริงนั่งมันบดเกิดจนซ้ำ เงิเอิ่นมาทำอมของจริงมันจะเกิดเรียบั้อยสุขภูมิไยนีโนะมากมัน็นมีแบบนีแบบแบบมีคนจินใจละอันละอันมันเต็มเพรจะพิจารณาใส่ตะกุใส่ตำแหน่งอย่างพิจารณาของมันให้ได้ความความเป็นจริงของมันจริงได้ยังดมเม็น่าึินมาเอาอยังจับแน่ดินมันถู้จับว่ามันเป็นดินแน่ไอ้โมจ๊ะจำหน่อยว่า นก็บมินเท่าเท่ากบมินดินมจัเพาู้ืน้สิยุบไปหนังหรอบมนังาเาเอาไปเไรดยบห้อู่ข้ใจมันวีนี้บเินไปไหนั่นนะแล้วก็มือกี้เสียวันจับเอากท่ให้กเียวัจับหังบแลมือว่างไปัมันก็ว่างนึงถ้ามนบได้ก็บคนว่างามันก็ตกนี้ ที่ได้ผมองมันก็จะของร่วมด้วยกันจับตัวไปด้วยบานกันแล้วก็จเอาไปทำในบามันอยู่ในห้องมันก็ไปเองกัน่ด้วยกันเพ่นห้องเราจับตวกันไหนมันมันจะอยู่ในห้องตางไหนบนของห้องก็นาทีขางข้อจะละอันละอันมันก็อยู่ใ่มันก็จะช่รง้มเป็นขงใส่ของมันไปยิ่งทั้งทัหลอกเข้าเิ็นมาธาตุรูใส่รูที่ทุกซุม อไดอาดินนาถ้ามัเป็นของเหาหนาไอ้วัวยักษ์เพราะานี่ยเห็่ามันผีอย่งนี้ว่มนลินขรถ้ากันนี่โอ้ตามมเป็นจอ่เกรดัก็บอกว่าหัวเลีย่มนเหามนเข่านั่นว่ามันองเานี่มันเาใหลงเจ็บ่ได้มักลยเียทุกบื้าในจิ้ทายก็พอหลงให้ามันเป็นของเาใจก่ให้ันิดกันหน้าานา วามันอะไรก็คือของเขามื่ออะไรจะขงโตของโตจนมานัพิจารณาภาวนา้ไปนันบ่แจ้งไปนั่งนมาโอ้ก็เพรมบตมของเข้าของขเสือบดได้มันเป็นัง้ยี่นาภาวนามันเป็นสายมันก็วางไปน่ปล่อยปล่อยใจวางไปมันก็แงใจแจ้งไปมันนังหน้าที่มันเมื่อต้มลงน มันหมดมันไหลมันห่มพอใจเขาไหวน่องเราหันไ้กบเห็นบ้านี้เขากอดอยแก่อยง่ายของี้เหล่าบอกสอนมันสอนใจนี่บอกที่จิตนี่ปัญญาสอนมั่นบำมันของเฮาเน่กันั่นกบเห็นอันนี้กบเม็นมันเจ็บใจนใจเขาแม่นเราเจ็บใจมันหงอคนนี้ใจเหาหงอขอบคี้เหล่านี่ก็เอาแต่เอาแตเอาแต่เขาบ้านตั้งศีลสมาธิปัญญาศีน มันต่แน่นอยู่ในใจมันเต็มอ่มันกระทุกงขั้นเดวนักลุงกันนักตะล่มนัดรวบคูบจรงที่แล้วบักวจิบัดเนี่ยมีเขาเจ้าขุดเข้าผูเข้าแตงได้บัดันี่ถิสมาธิปัญญาโม่แกปัญญาติดเจ็บออกจากใจเท่านั้นบัดหุงเก่าห้องเห็ดใบมันแน่งอยู่ในนี่ห้องสกปอยเจ็บออกสติละมันจำไว้ห้ามพักเจ็บหอบมันหักหล hey. ักสตินะได้ Vre, ม, ھ, มันเ่อง uh ้ huh. มันจตามวแนได้จะเอะไร้ล้วมันก็เอามาใบ้านมันจะขมขินมากใจเป็นผูเกบไว้มันก็เอาขินมากัญญาพิจารณาตัดนอันนี้เนหังเก็บไว้ขึ้นหนักขู้แยงนามเก็ไปจะเข้หลงบัดทมันเนี้เข้าหลงเลยอันนี้ถิงแ่ไม่ได้ป็นด้านเ้าเป็นคนหลวงเลทาตาดีตาแจ้งบามันจะหูจับไปขนมากเลย ท่นนังมือดแต่ห้องบอลทันออกหน้าวันอยู่นเงยมือ่นดเป็นไดูักบเห็นนี่ก็ดเอาจุนจุนชว่าอนั่งคืออันนั่งอันนี้คืออันนี้พุดดาวนดคนจิตต้องการปั่นี้ของจริงนะมันคเอานเห็นดังันนะเการณ์นี้กระบอกจักเหตุปูกระบอกจักุติกระบจักพอเงยมือมานี่ท่านเอายืมหนังสือสมาธิทำงานนังมันคืเห็นมัดา แล้วเขาเอาอย่างใบเมื่วานเขาพักเด้งทำมาอยู่บนถิ่นไไมสมมาติปัญญาเข้าหัดงานอะไ้เขาเจ้าหลักเข้าเห็ดเข้าสางหนี่ทำเห็ดหน้ากับเข้าบาตเจ้าแล้บเห็ดบามันจะตรวจขนหน้ามันต้องเห็ดมากาเกาดีัวหนนะตรวดขึ้นไปหูมันต้องเห็ดมากอันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นไหนเาบระเวงนี่จะเก็บไปเก็บใบเก็ตัวเก็บใบนี่ใจดีผวัดเลยะบาตรนีจังจังให้ฟังสถิติหน้าสงบ เป็นมหาสติเป็นไงพอมันเป็นผู้จำมืดสติจำมัดอะไรอะรื would, ่อนม่านั้นวันนี้โอกาสสิเดอมันใส่ทุมเตุบ่อทมันเได้ยงงายด้คนากค้ว่างวมันติงสัตวมดมันก็คอยคนถึงมากลบนี้สติสติมันฝังไว้ในใจเฮาถึงเฮาจำเลยเก็บไว้ในใจจออกมาี่จารณาปัญญาทุ่มหลอมันแกง จับตะนบนาหใจทังใจมันโงจจมันเ็บได้บ้านี้มันมันเศราหลงเราละมันิตทัง้ได้บาีมันมันต่นแล้วมื้อกาจังหม้วใจมันแจแล้ววาเราย่างฟังมันมันกังวลัดบานสิปัญญาจตรหองมันชงนี่มันมันเฮาเฮาบ่เม็นะคองในนนี้นี่เป็นิ้นนี่เป็นน้ามันเป็น่มมันเป็นเ้า ที่เจ็บตัวเนี่ยหายเลาหนักระเ็นักนัเจ็บอัเก่านังใบไม่จะของเก่าอยู่่นของมักอันแต่นของโตักอันิบันเห็นที่ลงใน้หนพรมันเจีตีมันหมด่มันีนี่ผู้เก่าบดอล้วบดจักล้วจักต้นตอกองเหลือหมดพุ่งแวปันกับเจาลวงผมน้ ลงกับแม่นาป็นผู้หลงไปทนี่หละบตรก็ค่ันแจงต่เฮาผู้หลงมันไม่อยู่แจงบาตรเจ้าทสินาจัง่าีสิติผู้ไรบ่อยบ่อยติบานไอหลงกับแม่นาคุณผู้หลงแต่ผู้กับม่นาคเป็นผู้หู้แต่จังบามันหนึีวันถือวัาวันเป็นวัตรปกติละเจ้าที่มันหลงบาตรนี่มันหูเลยอ่นเป็นเช่นปกติคนผู้ก้านี่แหละใจแก่ก็ติด ใจก็แก่มันมันบกเป็นอย่างนี้มันว่างเขามาใจทีอยู่กลางที่มันพลดับใจออกมาหนอมันเป็นจิตแต่เขามันมี่จิตื้ออันหนึ่งใจน้องมันอยู่จิตื้ออยู่คนเพิงคนอื่นว่ามันอยู่หว่งว่าข้า่กลางๆผมมีอยัางดีใจผวมีเยอใจัมมีหักเขาผมีสั่งเขาผมมีขั้นแป็นใจหั่นเองแต่มันอยู่ตรงก้างพวกเขาใจน้องมันอย่ตรงก Ters, อยู่ว่างว่างมีสบาย sweep, บ้านเขามันห like ันบ้านของใจงบัดนี้ที่มันเคลื่อนออกขึ้นที่โต๊ะมันเคลื่อนคือมันเคลื่อนออกจากฐานขึ้นบนหลบว่างมันถิงยับออกจากขวอมว่างไปหาขวอมบุญหคือมันจะออกมาฮัลโหะแต่บนมันอยู่บนมันอยู่ว่างว่างมีเนี่วไม่มีเลี่มันเคลื่อนออกมันขึ้นไปที่โต๊ะบ มพนมันเป็นหายุ่งเหยียดนะเออ่ันเป็นหายุ่นเหยียดเย่างง่ายง่าิอีเที่ยวนี่เนี่ยวนาะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออมออตออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อนัออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋นว๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ ท่นโมขึ้นเื Or, ่อใจมีกางๆเพราะมันขึ้นเน้นพิโรธบ้านนี้ข้ามมาดับคุกกระดับจิตนี่ยวันนันมันขึ้นดอกหับคล้องขึ้นว่าในมันคึ้นนายมันกลับคุ้นเป็นน้ำใจเครื่องๆอยู่ทื่อบางๆนแล้ว่านไปยืนกันเน่ยเม่นบ่มีทุกกว่าน้องเปิงโมนี่บวงใจมันเคลื่อนเรืองเนี่ยเคลื่อนที่เน้นพิโมันจะไปที่อื่นก็มันต้องเน้นทุกข์ก่ันตีน เกว่าทุกเข้าใจเซ้อมกันหซ้อมใจเนี่ขากนาจะมาเห็นบนใจเห็นบนนี้กนมันจะไปงไหนก็ิองใจมันอยู่ตือๆบางว่างอยังจันบวกเกี่ยวอีกยงนันเเขาประยุ翰มาอยู่จังันซ้อมมันซ้อมกันมันจะไปทางไหนคามันเคลื่อนหนูมีนหนูดิคันเคลื่อนเยิมันจะไปทาเบี้ยซ้อมกันหรอแต่มันเหตุยากมันท่ได้ไปแล้ว ปันเขาปล่อยมัไป ก, กับก้มวางแลี้วก้มหมุนางของใจไปทอดมันจงหาเหตเดียวเหตุงา่ายเพืนประิตจัดการงานพัุมปรุงนั่นแตงนี่เ็ดนั่นเนตนี่ยูขุนมานยุ่งแล้วง้ายเดียวคุณมเขาไปมันจะเด็ดไปแล้วโอยจับหยั่งก็หยั่งจับประหอนวานาจับวันนี้วันนี้โอ้ยบ่หุาจาบจับเนากเกียวเพื่นมาบุญไหวยขัดของนั้นนั่นมันทุกข์สั้นดอกคอทุก มันเป็นแนวนั้นบ่วให้มันไปมันของมันบัถูกเย็นบัมันเคลื่อนจักที่จริงของกลางองจับอยู่แต่ว่าสิ่งใดอะไรใคเบื้งเจ้าองเบื่งมาขั้นไปเหตุเรมันถูกหรือมันถูกจากนี้คือกันขันเขาเคลื่อนจักที่ไปมันต้องทุกโรดมันบัเศร้าหรือันเห็นว่ามันคือมันผุงมันแปกพอมันบัวเศา มันบอกเป็นภูเหตุที่เป็นใจผูคิดนะกูอ่นคิดกูเคิืนติมันบริเฮตมึงบอกกายกรเฮตมันสั้งงานขงสนาเฮนั่นเฮตอันนี้ให้กายว้ามันก็บอกให้ว้าบอกเฮดมันก็บอกให้เฮดแต่มันบริเฮตมันก็สั้งมันกันอย่างมันทุกได้จนะมันทุกข่กอดุดหาอะไรนอนไป่ใส่ไม่ใเอองันเพราะนันเนี่ยเพราะื่องที่เนส่องาสนาพุมพุเสนั่ มันคือหาหาหานังหานี่นุ่มโมยุวเจ้าต้องเจอกับคือคิดคือนคือตีคือตัวเอ๊ะหับสนเตกันท้องดีต้งตัวเจ็ดอ่ตั้งแ่โมยุวะเจ้ายากเยอนั่นมันถูกโตจบอันนี้วหันมันเหนื่อยมันอ่อนมันเจี๊ยงนว่ามันเื่อยเป็นกันมีมคึมเื่อยวันมันก็จังฟักอักคือน้อนนดอกปกติย่อมหาดย่มมัเค่อยชอบวันนั้น มันปักอยู่ในสมาธิมันาักเป็นบมเดยเขาเมื่อยกนั่งนานนั่นดักเกินว่าเกินว่าพักคิดได้นะแต่มานน่งจ้กมันเมื่อยมันหลับตัเล็กมันนนุคาดโคกมันเมื่อยดังนั้อันนั้มันโมจางจิตสมาธินะกันนัเงอร่อแต่มันว่างแน่นมันก็เป็นเพราะมันนึงเพรามันนึงเพราะมันเมื่อยมากว่างปักหลับลโคตรปักนานจนแล้วมันตื่นขึ้นมันนี่แห้เต็มที่มันจะตื่นอื้น จ้ที่ดอ ก, เ ป, ออกเป็นเนื้อังดอนข้าบองจักมันไมนปเป็นเนื้อหนังมาข้าน้องจักมาพุทธมหาห์มาปฏิบัติเสร็น้ำข้ามน้ำข้ามสองพุทธเจ้าคนหน่อยนี่ดินมีสมาธินี่สัญญ า, ารักษณะนี่ว่าอินทรีย์บัตรข้ามมากทีเดียวโบก็อยู่แต่เขาห้องนี้แต่เขาห้องบ่งจักบาตไม่เยอะน้ำเพลนแมวมะตังบารัตจักกสิภานไม่จิตไม่ใจว่ารักษาะหิน ตลอดไปอย่างที่น่านั้นตะไม่เห็นก้รับการนั้นได้บ้านินนี่เขาบอกฟึบสมาธิคือคนาตั้งใจเนี่ยมันมันมันก็เป็นเหานเลยเหตุไหวใจอยู่หมั่นก็คือบ่อยมันหนีจากควมเป็นใจนะควมจักว่าใจนอกโบมีโบมีเนวนี้ีอามันอยู่หว่างใจเลยโบมีสูมีตนแต่โบมีสิ่งมีของ โมมิยังจ้าไม่เอใจเขาอยู่ที่ตื่นายับตั้งใจมันตัดให้มันที่ดอกมันไม่ใจเขานงคำว่าสมาธิตั้งใจมันมันไม่ใจขาห่งจับวดใจโมเมนอยกอื่นขั้นไปใก้นั้นอยากใก้นี่อยากได้มันโมเมนตของใจของโลของโลกคือดินน้ำใกล้ร่มหนาเป็นของดินของน้ำของใกล้ของล้มอยู่บของใจเพราะใจบมมิโตบมมิสิ่งมีของยัง มันทิน่ะกระบองมันฟังใอ้มันดูกระบองไปไปอะมันกับบอมีแน่วที่เอามาได้เข้ากบุมีแนวมีเข้าว่างว่างเ ม, มื่อกรบ่มีบนตีเอาไวก้กระ บ, บุมีกระบมุมันมีเทิานันคือเข้อยู่จังทีเลยใจของบอมีตัเดเลบน้นดูทังไหนมันว่างว่างดูคือเอาเอาไปจะไปไวไ ส, ส่บาตรดนน้าไปล่องเคยใสย่ เมื่อขูน้นวกับยางเขาบงจักกูซือที่เขาเอาไปหกับนี่จะดินหนามค่อยร่มก่อนนี่ซีแนวก่อเป็นเรื่องว่าสกสารนอกอย่างใดเขาหัวเขาใจีคากูคือขันเมือนเขาตักมันกับนี้เท่านั้นเนี่เขาเอาวัตถุสิ่งของเขาจได้เรื่อรูปร่างทานทีเป็นรูปแบบแนวของเข่าก็เม็ดเอาดินเอาหนามเขาลมเขาไปมาอย่างนัอยู่ในนี้ อยากได้อันนี้เสมออยากได้ดินนามไปล่มหนาอกนีตั้งตลวโมเมนของเขาเขาห่วงรู้ใจอันนี้คือเขาเอาแรีวมันก็เอาบ่ได้บอกมันเดี๋ยวไปหยังหนอกเอาเรีวเขาไปบ่ได้อยู่นาทีเขามีแต่เบิ่งคือบอกมันเดีงเยมันหู่นจักวาเยียวนี่เป็นยังมหาน้าขะงั้นมันมากมัดขอม้ามันติดที่ยางอนทันเรเป็นร่มมากปัดมาใส มา Ian? มาสัมผัสกับกายเขาน่ะัยตระหนาภายในภายใกมันสัมผ um. ัสมันก็เกิดก้มห WOW ูหูขึ้นอูดมหูขึ้นเขาหูจักว่าเป็นลมมขาหนจ่กว่าล้มพ้มหูนี่นะเกิดระยะคือเครื่องรูกมันก้มรูดตื๊ดอ้ามถือถึงมันหูจักขึ้นเขากับเจ้าว่าล้มนะลมหรือไม่เข้าถึงล้มนี่ท่นมันจะใกลได้ก็บอกน่มันไม่กองเข้าถึงล้มเข้าถึงอะไรี่จักวับ ว่ามันยินห้าวปัดด้ยที่ตบบาสโนบริจาคหนีนั่นนายจะได้หรือเนี้ยแหละแต่มันบกพร่องมันบอก่เป็นมันมงจากยังหลบมันกระจายไปโยเอา้องเบ่าคือเบ้าอยากได้มันมันนีมันทั้งไปเข้ามันมันม่อยู่ใอา้องหลบแล้วคุ้มคือห้อหนึ่งคือเข้าไว้ที่บาดมันหนีหอดใจเระอดชีใส่เมันล่มมันไปหมดมังคือเพรเ้าบาดคือจะได้เพรามันหนีคืจะได้เพรามันหนีไปเนี้ยไปกันมาก เขาเปลี่ยนเป็นน้ำดินมไปน้ำไฟมันเปลี่ยนกลงสีนะคันคันร่มไปไฟมากอาห่อนมากในเข้าห่อนมากเขาตักษ์เรว่ามห่อนคือไฟมันห่อนจากด้อยู่บนไฟมันห่อนนั้นไหมออกไปอยู่น้าเข้ามันก็ใหม่คใจหน่แต่ว่าเขาไปอยู่น้ำเขาอยู่ใจไปอยู่น้พื้นน้าไฟ แจ้มันพอดพอกอเขาอยู่น้ำไปเป็นเกอรดอกยิพิจารณาเมนตเงินดำหนึ่งในราว่ามันง่ายมึง่ายขนาดนี้ให้มันหู่นักัตัวเนี้ยัน้อันาทีขั้นหามันยังอยู่ได้ใจเงี้ยคันมว่ต้งมดปนเนี่ยมันประยุดอกมันบุฟังเขาบอกเขาหักตัวเนี้พิจารณามีสุภาษิมีปัญญามันจะห่วว่าเขบกว่าห่วอัคพาขั้นหาร่างกายถมัน มันบอกมีอิ่ย่างเอ า, มาเมฆเฮ็ดหรือเอาดินมาเฮ็ดเอาหน า, ม, า, หามมาเฮ็ดเอาลมมาเฮ็ดเอาไฟมาเฮ็ดดูในควอม่ว่างคืออากาศนะมันดูถ้ามันใ น, นค้อม่าวงว่างอยู่พอได้หันใจกับวัตถนแล้มันจะสกันมันเบว่างนี่มันอาศัยกันมาญานคือควมอม่ว ง, งหรือมีอาศัยกันกันเลนว่าธรรมชาต อาศัยกันแนวเกิดพื้นปัปติกสมุบาติพระุเจ้ากว่ว่าธรรมศาสตร์เรืองจังหวดอินน้ำไป่ล้อมอกาศาสตร์นิยนภาคมาอาศัยกันเกิดเป็นลูกเป็นต้นเป็นโตเป็นบาเป็นที่หลอกเหี้ยมที่จะน่าดักพัดตะเกนนี้ผัดผมันจีสิ่เศ้าผู้ว่ามันเกิดใส่เกิดทลากไปบว่ามันมาจะใส่มากจะไปยังไดมันไปหอดไสมันจังสิเศ้ามันจังสิลพื้นกับไปมูญักัดนัน บามันหลบเคลื้นทอดควันน่องเผาเที่ยงตองจับบาดปุด่นเด็กันจังแจล้วเ่ยมเมนตูสมัยจังมันหมแล้วเนียมันหูบาดปู่นเนววี่ยเขาเอาดินเอาหนาเอกไปเอาล้มอ า, มอ า, มอาอกาดทิ้งยันมาเห็ดเห็ดวนอยู่เขาไปตัวเงีอเนเงี้ยของใจร่างกายไปมั่นก็เนียเป็นที่อาศัยของใจพอใจโมมีโตมีตนก็เลยมาอาศัยดินน้ำไฟล้มอยู่บาดนี่แมีวออกมาเห็ดอยู่นั้น ฟังนมัก็กลับได้หรอกขาวดินขอาดินมะเห็ดข้าวนาวมะเห็ดขาล่มมาเห็ดขาไฟมะเห็บ้านนี่ของเอามะเห็ดเนีมันเป็นจังไรที่จะน่าสัตว์ก่อนดินมันมีักนจังไรดินนันเป็นของแข็งของเหนียวของแกนบานนั่นองมันก็เป็นของนักบ้านามันแกนมันแห้มันเป็นของนักบ้านั้นเน่าอมาไว้น้ำเอามาอยู่น้ามัน เขนาก็หนักแล้วบาพอเมลดินนั้นหนักมันก็เป็นทุกข์ว่ะขั้นหนักมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอย่างยังทุกข์ตอนนั้นบมเม็นของเข้าเนี่ยเข้าบ่มีเข้าบางๆนันเราบริวญเข้าบ้านไม่อยู่ดินมันเราทุกข์เว่านดินมันหนักของหนักบัเป็นตะเอาบาททุกข์หิวจัดยังไงเพราะที่ทุกข์เขาม่อยู่น้ามันทุกข์วนบ่มีนันมาอยู่นําเข้าเข้ามหาเตา จังที่นานอาไปโทษเขาอย่าไปลาเขาจะ่าไปวาเขาเขาเป็นอย่างไงก็จางเท่าเป็นผูไม่อยู่น้ำเขาอาศัยเขามีตะเบิงเขาว่าดินไม่อยู่ยินเขายินเขามากผ่านกายเขามันเป็นดินเป็นน้นของใต้กระดนื้อเนี่ยเขามาแต่ข้างนอกคู่หน้ามันจิมาจะปัดมันตัดไม่ดินน้ำไม่ลงกับเต่าบัดนั้นหนักหนี้นนรรจากมาเขาจิมาหักกันแล้วของของเขาอยู่น้ากันขเขาเกาะตะเบิงกันสั้นเดียว มันมีพุ่มดึงดลดกันนานดินมันสนุกกันน้ำคือการน่อมของกันไปคือกันมันกระเข่ามหากันมันกระชายปลอออกไปกลับไปกลับมาคือว่ามันบทเทียงมันบทเทียงจึงตันดอกอันมันแอกมันเข่ามันเปลี่ยนมันไปเปลีไปมากแต่ว่ามันเทียงในกลมเป็นของมันได้ไหมคือดิอนี่กับเทียงเป็นดินจึงตันคืเปลี่ยนเป็นยิ่งน้ำเป็นน้ากันเทียงในกลมเป็นน้า ลมเป็นลม้มมาเที่ยงไม่ความเป็นลม้มไปเป็นไปมาเที่ยงไม่ความเป็นไปเทียงเนี่ยนั้นบาน้านอยมันเคลื่อนหรอกมันโมเทียมมันมันเคลื่อนย่ำมันเคลื่อนไปไปมากโเทียงเนี่งหลุดโมเทียมขันมามันดินมันขบมากดินขามาก เ, เข า, าเบิ้งกับลูกล่างกันได้เขาเห็นรูกกันไม่รู้ที่ดินก็เอาน้าง่งมานํมามได้ไหม กาหน้าม si no no ันมีหนาจไหนที่จะหน้าู้งจักคันทีอย่างหน้ามันเป็นยังไงลักษณะของหน้ามันเป็นของเหลวของอ่อนของโมมิโตวิตนหรอกจับอบวได้โอยู่น้ำเห่ากังเกียบบ้านนักหน้ามันจะเป็นยังไรมันก็ไหลหมุนเวนเปลี่ยนไปมากน้อยอยู่ๆได้หน้ามันก็เน็ตไก่เฮงคันเอาไว้โดนคือถือขึ้นถือไปนั่นไม่เป็นสัตว์เนี้ยมันกอมันจะโมเป็นประน์ไ้เหา ขันนี้หน้ามันกัมีไฝบ้านเนี่ยมันกับเอาปันเะแีวบาานไฟ่เขาเขามาอยู่ในายเขานี่งมันก็เขาแล้วมันจะติดกันย่อมไหนบานน so ้าม i mean ันดูพอน้าม nah ันจังอยู่กันไหได้นี่เเมื่อไก่ไฝ่บานไฟเขาล้อต้มเหม็นมาต้มน้ามอนกันบ้านขันมันไปขมันเป็นแนวหน้าเอินมันขับผัดพับผัดขันในบ้านน้ามันก็ไปขับผัดกันสะพ้อนเดี๋ยวน้ำเย็นๆก็ฟ้อนว่า โคสุดแนวบาดหรือไฟ่แมงหอนเดีวเชียงนี้มันสุกบนทางไหนเองบนังตายนอกของเอานันมะเห็ดเดีวมันอยู่น้องกันบาดมันก็บ่าถือกันเดีวไฟมามงหอนห่อนเดี่ยวนั่งก็ห้อนไปนั่งบาดโคตรเจ้าเจ้าสุดเดียวบริมือเงาแตกออกมาเนี่ยมันห้อนมันโคตรบาดนั่งไรออกเป็นก็นหนักคอมันจะทุกได้บแต่ว่าไ้่ใส่รบกวนได้เพิน ขันมาไฟโคมหอนบนพื้นล้มกบมาแล้ยวผ่านล้มกบมาซอยที่กันเน่ซอยมันเย็นเน่มันดีอยู่ได้หีนะมันก็ดีแท่านั้นอก็ทามันหน่วนมาซอยมันมันเห็นเขาเย็นลงไปที่หน้าเขามีหน้าที่ยังตันดขันมันห่อนมันกบมาพัดมันเย็นนี่มันก็เย็นสบายไปน้ำแต่มันบโอยู่คือเก้าบวานพัดลงไปในี่ร่ามันโมยู่นนเข้าหวาน รบโมมิโซมีโซนนี่ว่าโมมิโซมีคนจับแต่วันมั้นผัดงป็นขีเย็นๆมั่กลับตายนีมันนาทีมันเป็นเนี้นั่นบี่ว่ามันสีบรุกูดเจ๊งไหนว่าก็คืดพวกนี้ที่บ่าเอาดินเอาน้ำเอารบออไประอมาอยน้ำกันม่อะพวนปันโนนเดายวมันมันพอถือกันมันของไของมันนะขันมันดูแต่มันมันมันเป็นอย่างนี้บ่าน้ำอยู่น้ำน้ำว่ามันก็เย็นนุงกันแน่นาว ไปใครอยน้ำไปคุณเอามาใส่กันมันก็อยู่เพราะมันกว่อนเพรมันบ้างร่มก็มีนอยา่น้ำร่มทัข้างนอกเย้ามาเห็นหูข้อมันะมันกับพระพัดเจ้าบานมันก็บพไะไว้แ้วอนนุมันโมติไม่มาสันะเนี่ยคนที่นี่ที่ดินหนามใไรรมอากาศนี่บนมันติดเกินไปนอากาศน้ำขึ้หมู่บางนเป็นอย่างกันดอกเนี่ยมันพอมันทุกข์กันบอกเอาว่านี่มันเห็นอยู่ใจบ้าน ใจบอกบอว่าเอานมาเห็นใด้บ้างผมมาแตงมันนี่บ้างใจอยู่วังว่าผมโตใจผนมะ่โตซือว่าใจคือของเป็นกางอยู่เงเพิงคว่ำังกับมี่ในใจนะคว่ำซั ง, งผมนี่อยู่ในใจทันซื้อว่าใจนีมันใช้ยั ง, งกันตกตใจมขาเป็นเมื่อนั้น <c oughs> มันมากมาั่งทมันหลงนีนคือหลงเพราะอันนี้ขอมามนะัน่ะอารมณ์ตัวสุ ข, ขงงังอารมณ์ ที่มันผัดมาผัดควอมอ่อมเย็นบุญไหว้ผัดทอง่มันเกี่ยวกันกับดินนามใบร่มหวานมันพรวนปันนะฮะห้าวบามันมันบุญมันไหว้มันกัดมันคองเนมันสีบอกพรถอากาศมันพาเป็นตะยุนนามันพบมันเอายันอย่าง่อาเนาะี่อย่างมันมาสัมผัสกันบานี้นคอรนปั้นขนขั้นสิวันนี่หนาวจหนาวก็แน่นค่อนมันมี่มันหวา มันหันอุมอุ่มอุ่มไปแล้ว่าน่แหละมันจะห้เขาบอกผมปกติบอกว่ามันเป็นยังไงมันมาสัมผัสกันนะมันมาทำกันระดับทางนวัตัวแนี่ยทุกข์พาเป็นตะยูเมันมาสัมผัสกันมาสัมผัสกับกายกายมันระับรูที่เรามันงุ๊กจัมันก็เลยทุกข์เปเสี่ยวเ้าทุกข์แค่กายมันงุ๊กจังทุกข์กายมันทีกันตะม่อนตะหนอก เรอาดินมะเห็ดานาําลบมันไปเขาบอจักเงเหลี่มมิมใจแต่ม้นใจโงจักมางมันเป็นอย่างรกัใจโจักมันเราทุกข์ปใจผู้ใเาใจแต่บมองใจมันิเรรืมเป็นจิตละมันจังทุกข์เป็นใจโมมิทุกข์บมันบ่บ้าจิตเขามันระทุบบ้ามันตืมันถุมมันแงันห่นเขาบอกจากหอนหนาวเอากหงหนวเย็นเอากหเย็น อยากให้มันคิดใจหว่าใจมันเป็นยังไงอยากให้ยึดยึนั้นมั่นมันเท่าไริจบาอันหนึ่งเป็นวัตถุอันนึงมันนโตนี่โตอันหนึ่งว่ามันที่อยากให้คิตใจมันเป็นตัวได้าก็เลยทุกข์ตลอดไปใจมันก็ค่อยเจ่อเจค่อยตามันอยากให้ร่างกายมันคือมันมันมาวได้แล้วก็เกิดทมโลทมโอดทวมหลงคุงเท่านั้นเยวบาต่บามันโมเตยกาเทาเทาระโบของจักก็ยังว่าง ให้กินม้อนนี่ขันบวยจากพุกพยายามกินกินพุ่มพุดนักพุดวาดินเป็นของเข้านามเป็นของเข้าล่มเป็นของเข้าไปเป็นของเขาให้ให้วิจารณ์นกจับวาบบรมินของเขาจับแน่วเขามาอาศัยเขาสู้เพื่อพอเข้าอยากจักว่าเขาอยู่ทางไหนกินทีงไหนจำเขาพยายามเขาหนาไปยามเขาบุกคนนา อยู่จังไหนจิงจังไหนน้อเขาบ่งจาเรื่องของเขาเขาหลอกมาอยู่น้ำเขาเขาก็แสดงให้เบิ้งสนองเพรเขาบ่งจากเขาเราเห็นสิเขาเบิ้งน้ำมันไปเห็นเรื่องของงานของบิ่นปีบาถ้ามันไม่มีร่างกาเขาท่งม้วนนอกมันก็แสดงเขาบิ้งนองน้ำเขาเห็นอันมาด้หลายเขาเห็นเป็นไงมันก็ไหลน้ำตาเดียวพออย่างนูนพัดไปตายัน้าคนไม่เงี้บเระท่านตาย ยิม er ันก็ัดกระไดหมดนไม้แหงนาปัจจุบันากาศมันหนาอทีสันนที่มันมันจะได้ไฟมันอยู่ๆเพิดเอิบแล้โบเทียงหวานคำมเป็นกรเอิบโบเทียงแม่มากโบเทียงล่มด้นิ่งมง่มันมากเข้าป่วยบอมันก็ไม่ยิงขนาดมันโบเียงกับมันมากมาคอยไม้แหงแดดแต่มันถึงไม่ยงหวานขนไม้แห้งหวานเมื่อกีอันทุกร้หานไมทุกข์แคั้นเดียวคำมันม่ายแห้งเยี่ พัดพอนเทาผไปเรา่ต้องบอกทมาในไม้เนี้ยไม่ยุ่งกันะมันก็ไปทุกข์ังันเดียบบาทเนีมัเห็นหินเป็นูุกข์ไปํามาในไมเห็นมอมันยั่งบ่ไในไปอำเล็กดินนั่นะมันทุกจังันดังทอเอาอนวนี่มานเห็ดกลางกายมันก็ทุกข์จังทันมันกับบ่ห้อเยบบาอยูไม่กายเท่านดินนะแล้วมันก็ไม่อยู่มันอ่อนมันเบี่ยนกันเอากระมา น้ำมันห่อเขามาตืมมาเติมไว้มันเต็มไปมันขาดมันอก็ตืมมันห่อนพอดีล้มขาดเขาเอามาตืมกันอยงนั้นมันระเบิดก่อนมันจะเต็มสมบูรณ์มันไม่ตายมันมันติกทางห้อนเนี่ยวห่อนคือไฟนี่ยเย็นก็คือลมเย็นไอน้มนเนี่เนี่ยน้หนักก็คือร่มเงินเยาว์หวานมันกันอ่านั้นแล้วมันโมดูบาดมันบมหมันโคงหน่อมันบมเป็นแนยวหวานเทากับโในิตี้ ดั้นเอานามมัดใจมั่นมันจะเปยังไหนบาดเตี้ยแเตี้า่มนจีนามีน้ำมแ้มันก็เลี้วไปมันก็ไหลไปมันก็ะกอะนาจังสถานมีน้ำมันก็บ่อยู่งทีบาดมันก็เลยเจลี่ยจมืดโบยงคัดอมกันจนลูกเพราะว่าน้ำบันี้น้ำเขบอกไม่ได้น้ำบาดแล้วมันก็คัดคลอยกันบาดน้ำหมที่ทางหมุนเบี้ยลวกให้มั่นไหลไปได้น้ำมันก ตอนนีนั mas ่นดี่ว่าเองก่อนเนาะพ่อแงแงเนมันก็คอยมันไปมนไปคือที่ดินมันไปเพราะมันเหนดมันหนี่ไปไสกับเขามันใหม่ไอ้มันหอนมันเหมือนใบมันเปื่อยเห็นบอกเขาตกเหนีงมันก็คอยมันไปไปไปอปไปไปเข้าจังหวามันว่ายู่ไรโดนอะลรเขากันมากกันมันจะเป็นกั้นดินน้ำคลร่มนีเป็นเื่องมันจะโยกมันเท็จเขาเราเราเป็นปะโยชน์มาเข้าใจนะ เขาเป็นยูนเนาะเขาเาบงจักอย่างนี้เขาคือคู่เน่ย่ากันเาเป็นใจยูไม่เห็นเลยมันมันร้อนมันห่อนห่อนในจิตในใจมันว่าไปห่อนอยู่ไปสะดาดมันเอามะห่อนในใจมี่เป็นเนี่ยจังวานทิ่มมนอนนี่ปล่อยม่อนนี้เป็นว่าไหว่างว่างคันหาอุปทานคันหาอุปทานทุกข้อมยึดถึงอ่ะเขาหยุดไปถือใบเขาคำใบมาว่า ว่าจะเป็นข้อเหาอยู่หันพระพุทธเจ้าว่าคันโมว่างถูกที่ที่เดียวขันหานเป็นโตทุเป็นข้องน้านาเด็านต้องใส่เกจลกยเมื่อไหร่ที่จะเห่ายอนเทียร่างกายกนอกเมื่อไ่ใจมันเนหูจักายพะมกหูจักนี่มันจะไปทูกไถตรถูกใจผุไม่อยู่นเาียเรื่องของเขาเขาก็เป็นขเขาเองเขาก็มีแตทางเบิ่งคือ ขันโมตุกขามันโมเป็นอย่างว่าคือเหงื่อเท่าห่ะมันจิเป็นเท่าหลองโมเหงื่อมันจูจักอย่างน้ำเท่าบ่ที่ตู้โ่เท่าเพชมันถึงมานคือโย่ก็เป็นเท่ามันโย่มันก็ไปเจ้ากันแล้วคำนั้นเนี่ยปัดย่ามเี่มันระเพ่ข้อมันมันโมตั้งต้มเท่าใจใจเนีมันบมเพ่เนีวก็ของบ้านมันบมเย่มันก็ทุกข์ฝนทว่าอย่างนี้กทุกข์กว่าวกินมันจิเพ่ท้งหักใจหัวก็ทุกข์ ก็แค่เดี๋วคุกมันตีเนี่ยคุกแค่ใจแะเนียงมันเเงือนข้อดีๆเงื่อนตายตีนี่จากมันแง่เดือดร้อนนะที่มันอยู่มันหยานมันตายน้องกันออกมันบ่งทีมันในกวานเยียวกันนากายทั้งใจมันว่าเป็นคุยกันมันหย่างมันตายอยานมันบ่มีชีวิตอยู่อีกมันก็เลยเดือดรอนในีกายตายแง่หอนคันจะพ้วนที่กระา บาโมเมนของเขาของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่นัดไปเป็นอเนจังเป็นทุกขังอนัตตาโมมิโตมิโตของไฟจังคนหลอกแมวหนึ่งมันมันเป็นอยูเนอกต่างหูจับจังไส่ปลามันมีหนาที่เน่นันมันตั้งอยกันที่จะเรียว่าเป็นของเข้าของเขาเข้ามีเต็ม้าเป็นคืออห่านันหูจับเขานั้นีูจับแล้วปลแล้วจะไปยึดใบนันหนักเกินมาว่าง ขันยิบจิตจิตใจห้อยจิตจิตห้อยนาเนรมันทุกข์ว่าเป็นจังหวะเห็ว่างก็วันหน้าก็คือการจิตกระนาให้หูจักตามก้มเป็นจริงนี่เลยเสรลก็วันหน้าเกิดเรามีปัญญาให้หูจักตามก้มนริของมันแดีวมันก็ว่างโสนันใจมันก็ว่าจิตไว้มันหูจักแดี่ยวว่านที่ดอกเป็นจังใจพยายามพยายามบวชอยู่คือ ชิจรณะแต่ว่าหนี้ศิลก์พระลไมมันจังิจรณาได้ศิลป์แบบนี้สมัชี่ตั้งใจนี่มันมันมันมันูกับตัวเองมันจังของจักบามันจังแก้มันจังโบมือสมัชิกับพวกหจักสมัชชิจะมันเป็นยังไงหัจักจะไงบอกเนียเอมันเขงห้าง่ก็มันบาง่อยู่หรว่าเป็นเจียนไว้ก็ไยิ่งนเบา าสมาธิคลตั้งใจมันจมันเป็นจังไรเพราะ่าไอ้กลมจมตู่ตน่ว่าน้ำคนยยืาบอกหััี่ห่างกับสมาธิขั้นสมาธิมันเป็นจังไรเขาบัวจกซนั่นน่ะเย็ดเย็นเย็ดดำจะมม่จักบัรเอบัมือิญจีตกามันหูวจักมันจังจังหัวจักเน่เลย้างจัหวจักวิชีได้ทุกทางกทางแต่เอาพิจารณาบุตรหจากมันก่ เพช ร, รตื้อเดียวเพชรกระติกเป็นังแต่ยิย่งคนบอกเพชรตื้อแต่ยิงเหม็นบ้างคือเอาเพไปตัดจับเป็นยังไงเอาน่ ม, มาสมาธินเพินเนเ่นก็ว่าให้ตั้งใช้มันถ้า ม, มันอยู่อารมเยีย ว, วนั่นเอินเป็นสมาธิผูมบุโทกธ่อยู่บุโธวนนี้เพิ่นกาว่าเป็นสมาธิเขาก็ฮู้ก็นีอย่างฮูู้นําเพิ่นจังที่หลายิ่งน้างมันเู้เพราะัญห ยังนึกว่ามันสิคนไรฟควมันหูดำหนิดำหนิในังแนวขหูดำแล้วมันตั้งใจมันมันอยู่ในวันห่างวันนี้จะงนสมาธิหูแจน่เรื่องฟังไรหูจีมันเอาใจบาดไ้ควนพุจระนาเ้มันเป็นยังไงเนาะมันมันอูยังไงอยนี้แต่ว่าสมาธิตั้งใจมันมือรับอารมณ์อยว ได้ปัญญาตอดความพิจรณาบรได้ฟธ์ตั้งในบาตรขันเมาตั้งนั่นมันเป็นอารมณ์เหตุใจมันเพรมันบามันเป็นเมาตั้งขันบพราะังมันจะคนบาตปุติปัญญาเข้ามันจะคนเบืองที่อย่างสมาธิที่อย่างตั้งใจมันมันอยู่จังไหนมันเป็นอย่งไรมันมันถึไม่แจ้งที่แจ้งปัญญาพรอมด้วยินสมาธิปัญญา้วยปุตติสมาธิปัญญา มันคนขวาร่างสิตารสรงมันบริโภคคนขวารได้การสังมันสั้างคือซื้อมันก็จำเอาว่ามันก็ยังสร้างมันก็เ้าได้ยุ่นเหยิงบอกผู้คนว่าแต่มันบอถึงใจว่าใจม่นจักบอกคนทีซื้อมันได้บอเป็นบานมันเป็นอยู่มันต้องเอาศรีธรรมิปัญญาสั้างคงคงทีระพิจรนาว่า มันเป็นยังไงเนาะมันจะบ้าสัมมาทิตั้งใจมันเขาก็เบิ้งไขว้นเบิ้งม่ให่ห้างละเบิ้งห้องเห็ดบ้าท่านอยู่กระปุกโชกะปุกโชกมันเป็ี่นยังไงอยู่กระปุกโชกหายใจอกหายใจออกมันเป็ี่ยนยังไงเน่บามันหมันมันหมันเป็นไงใจมันอยู่ใส่ที่ยังเป็นเครื่องหมายที่ยังเป็นเครื่องหูกเครื่องมัดหุ่นมันเป็นคนในบานสติปัญญาเนาะ อัน sure. ันเดียวจังบริสังวนี่ยันันเดียวว่ามันถึงักมันจะข้นเมืองป่ะดิจิตจมโดโก้โโกขั้นบนมต่วาเป็นสมาธิมันหมายคมจางไหนเนะมันอยู่ที่ไหนเาเบงจิตหลงดักป่ข้างล่างก็หลงดักในข้างบ่มันจะจิตโกโก้ยนี่ยดิโกโก้ี่ยั้งไม่จับจังโกโก้ตัดโมเป็นพกะพนาพระพนาที่จะน้าใจปัญญาไมนจังดัก ดางหวนนโมนิจเสมันตั้งมันอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์หนึ่งขันว่าเบื้องล้มขยุกับล้มขันว่าเบิ้องตายกิเพ่งจะบนไหนเบิ้งผมนี่กิขยุกจะกับผมคนละหลักนั่นละเอื่นว่ามันว่าใจกับมันนึกกับใจว่าเป็นภูรูที่คือซ่งดีห้องปลูกใจเคื่อเพ่งในผมนี่จิตอันนั้นเป็นยี่มิตเป็นเครื่องหมายให้ใจคนนี้จับอัน นั่นน่ะายุกำหันบ่ให้เพื่อนจะหันเลยให้มันเห็นจะว่าหันบ้าเนี่ยน่แหละในกลางจังมันมันกับัญหมันก็บนห้องเบิ้งบ่ให้ไปเห็นหมดอื่นได้การันไปบิ่หมดอื่นไปเห็นหมดอื่นมันบ่เมนมันนี่บ้ันน่มันออกจากบนห้องหมายไว้แล้วสมุนไพรมันเบิ้งผมเยมันไปบนอื่นนั่นบ่หมั่นบ่ไม่นาันมันมันมันอยุกับมานั่นยังตั้งใจมันมันนู่กับนห้องเบิ้ง ใจของมันนกว่ใจว่าโตเป็นอู๋ตรงอู๋เปิ้งยื้อเนี่ยติเปิงยื้อยนผมให้หัวจเรื่องของผมมันเกิดขึ้นทางไหนมากทางไหน่ะทจะหน้าไปให้มันหัวใบามันจะเปลี่ยนไปางไหนค่อยๆก่อฟังดิ่งมันจะปล่อยเปลี่ยนไปมันหมดที่อย่างมันเป็ี่นตักูเป็นของเฮาบยิบโบสมันไหันยึดถือก็เป็นทุกข์ทีจะหน้ามันจริงมันมีขุดเอาที่มันมันหูผมมันหูที่ดีผมนะ โมเมนต์อี้ส่วนเป็นุกขอีส่วนมันแต่ว่างแต่ในใจผมบอกในบาทมขนัมันทีว่างว่างผมนะทุ่งเมินงคำเาเห่อๆทุ่งคำเดาเห่วๆท่คำาเห่อๆทุ่คำเดาเห่อๆทุ่งคำเดาเห่อๆทคำเดาห่อๆทุคำาเห่